สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในวันเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตอนฉลาดแต่อัศฉลาดแต่อัศพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบหกครับพระธรรมลูกาบทที่สิบหกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าพระองค์ตัดกับเหล่าสาวกของโปรงว่ายังมีเศรษฐีที่มีคนต้นเรือนคนหนึ่ง และมีคนมาพ้องเศรษฐีว่าคนต้นเรือนนั้นถาญสมบัติของท่านเสียเศรษฐีจึงเรียกคนต้นเรือ น, นั้นมาว่าแก่เขาว่าเรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรจงส่งบัญชีหน้าที่คนต้นเรือนของเจ้าเพราะว่าเจ้าจะเป็นคนต้นเรือนต่อไปไม่ได้คนต้นเรือนนั้นคิดในใจว่าเราจะทําอย่างไรดีเพราะนายจะถอดเราเสียจากหน้าที่คนต้นเรือน จะขุดดินก็ไม่มีกำลังจะขอทานก็อายเผาเรารู้ว่าเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีเพื่อเมื่อเราถูกถอดจากหน้าที่คนต้นเรือนแล้วเขาจะรับเราไว้ในเรือนของเขาได้คนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้ากี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้น้ามันร้อยถังคนต้นเรือนจึงบอกเขาว่า อาบัญชีของท่านนั่งลงแล้วแก้เป็นห้าสิบคั้งแล้วเร็วหน่อยแล้วเขาก็ถามอีกคนว่าท่านเป็นหนี้กี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้ข้าวสาลีร้อยกระสอบคนต้นเรือนจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านแก้เป็นแปดสิบแล้วเสด็ฐีก็ชมคนต้นเรือนการทำนั้นเพราะเขาได้ทำโดยความฉลาดด้วยว่าคนของโลกนี้ในพวกเขาว่า เขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงกระทําตัวให้มีมิตรสหายด้วยธรรมด้วยทรัพสมบัติอธรรมเพื่อเมื่อทรัพนั้นเสียไปแล้วเขาจะได้กอนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิพพ์โปดฟังอครั้งนะครับในข้อที่แปดข้อที่เก้าครับแล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือนอธรรมนั้นเพราะเขาได้ทา โดยความฉลาดด้วยว่าคนของโลกนี้ในพวกเขาเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงกระทำตัวให้มีมิจฉาหายด้วยทรัพสมบัติธรรมเมื่อทรัพสมบัติเสียไปแล้วเขาจะได้ต้องรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิพพินครับพังพีซึ่งเป็นขับอุ ม, มาของพระเยซูตอนนี้ ก็มีคนถามมากมายครับว่าเฮ้ยทาไมคนที่เป็นเศษรษฐีกลับชมคนต้นเรือนนะครับถ้าเราคิดในมุมมองของชาวโลกนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าอืมคนที่ไม่อาจทำทําไมถูกชมแต่ถ้าเราคิดในมุมมองของชับโอมารู้จะรู้ว่าจะต้องแยกประเด็นครับแยกประเด็นว่าสาเหตุที่ถูกชมเพราะอะไรและสิ่งที่เขาทํานะครับแยกออกมาว่ามันผิดมันถูก ยังไงนะครับปัมผี่พูดชัดนะครับว่าอย่าสัมสมทรัพสมบัติไว้ในไว้ในไว้สาหรับตัวในโลกครับแต่จงสัมสมทรัพสมบัติของท่านไว้ที่สอนเพราะว่าทรัพสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นพี่น้องครับโปรดจำพระธรรมวินัตอนนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าทรัพสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั Tal ้นจุดเริ่มต้นของคำโอมานี้ได้เกิดขึ้นนะครับในตอนบ่ายวันหนึ่งในวันสมาโต ในข้อที่สิบสี่สิบห้าของลูกาบทที่สิบหกข้เช่นเดียวกันครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันข้อที่หนึ่งได้กล่าวว่าพระองค์ตักับเราสาวกของพระองค์นะครับในเวลาเดียวกันนะครับทําให้เรารู้ว่าพระเยซู ก, กําลังดาเนินคําสอนของพระองค์ต่อไปต่อจากบทที่สิบห้านะครับบทที่สิบหกต่อไปเรื่องอะไรครับบทที่สิบหกต่อจาก 10, บทที่สิบห้า บทที่สิบห้าได้กล่าวถึงแก้หายเรียนหายและหมดน้อยหลงหายแต่พอในบทที่สิบหกครับคนต้นเรือนเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับกิจกิจการในบ้านของเศรษฐีครับคนต้นเรือนในสมัยนี้เปรียบเทียบกับผู้จัดการหรือถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆโตๆก็เรียกซีอ CEO นะครับเกี่ยวจัดการเกี่ยวข้องกับกิจการในบ้านทุกอย่างของเศรษฐี เศรษฐีคนนี้น่าจะเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติมากมายครับเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ในปาเลสไตน์นั้นมีจํานวนหรือมีเจ้าของที่ดินมากมายที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่ดินของตัวเองเหมือนบ้านเราเลยครับเมื่อเจ้าของที่ดินออกไปทําธุรกิจอื่นๆหรือไปท่องเที่ยวในเมืองอื่นๆเจ้าของต้องเรียกคนต้นเรือนหรือผู้จัดการหรือซีอโอนั้นมาพูดคุยครับมามอบอานาจงอบสิทธิ์นะครับให้ดูแลคนใช้ และดูแลบัญชีการเงินดูแลทุกอย่างในบ้านครับในเรื่องนี้มีคนมาฟ้องเศรษฐีนะครับว่าคนต้นเรือนของเขาเนี่ยผานสมบัติของเขาเศรษฐีเจ้าของที่ดินก็เลยเรียกเรียกลูกจ้างหรือเรียกผู้จัดการคนนั้นให้ส่งรายงานครับเกี่ยวกับที่ดินให้เขาดูเ้ายังบอกกับคนต้นเรือนด้วยว่าได้ข่าวมานะว่าแกโกงนะครับแกจะต้อง ถูกลงโทษแกจะทาหน้าที่ต่อไปต่อไปไม่ได้แล้วในข้อนี้นะครับไม่ได้กล่าวถึงการลักทรัพย์คนต้นเรือนไม่ได้ทําหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบต่างหากและเป็นผู้จัด ก, การที่สุรุ่ยสุร่ายทำให้สินค้าหรือทรัพย์สมบัติถูกแพร่ไปอย่างไม่สมควรข้อที่สามนั้นกล่าวว่าคนต้นเรือนตระหนักตัวเองครับรู้ว่าเขาจะต้องออกจากงานไป ท, ทันทีที่จัดบัญชีเรียบร้อยแล้วอันนี้อาจจะหมายถึงว่า เขารู้อยู่แก่ใจครับว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องออกเพราะเขาทําผิดเขาไม่ชื่อสัตา์ข้อนี้อาจจะหมายถึงว่าได้มีการตรวจบัญชีแล้วก็ได้นะครับว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเทดําเงินดําเนินการต่อไปได้ละเขารู้ว่าเขาไม่สามารถทํางานหนักแบบคนงานทั่วๆไปเช่นการขุดดินถ้าเขาออกไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่แข็งแรงหรือเขาแก่แล้วนะครับแล้วก็ยังคิดด้วยครับว่าเขาขอทานไม่ได้เขายังคิดว่าเขาออกไปแล้วจะทําอะไรได้ พราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดด้วยความเลฉลียวฉลาดของเขาครับทําให้เขาตัดสินใจที่จะเลือกว่าเขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างบุญคุณให้แก่ผู้อื่นสร้างบุญคุณให้กับลูกค้าสร้างบุญคุณให้กับลูกหนี้ของเจ้านายเขาเพื่อลูกค้าเพื่อลูกหนี้เพื่อคนอื่นนั้นจะได้ช่วยเขาได้เมื่อเขาถูกไล่ออกจากงานเห็นไหมครับตั้งปีตอนนี้ทําให้เรารู้ถึงความจริงที่ว่า แท้จริงแล้วคนที่ฉลาดเนี่ยเขารู้จักเอาบางสิ่งบางอย่างใกล้ตัวนะครับมาเป็นประโยชน์ส่วนตัวเขารู้ครับว่าเขาโกงนะครับเขาก็รู้ว่าเมื่อเขาโกงแล้วก็จะต้องถูกไล่ออกเมื่อเขารู้ว่าเขาจะถูกไล่ออกเขาคิดต่อไปวางแผนต่อไปว่าเมื่อถูกไล่ออกแล้วจะทําอย่างไรประเด็นที่สําคัญที่น่าคิดก็คือว่า คนที่โกงเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรในการโกงเขาอาจจะมีอาจจะมีแม่ที่ป่วยอยู่ต้องการใช้เงินเขาอาจจะมีลูกที่ป่วยอยู่ต้องการใช้เงินเขาอาจจะต้องติดหนี้นอกระบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทำให้เขารู้สึกว่าเขาโกงนายได้นะครับในระดับหนึ่งพี่น้องครับเวลาคนที่คิดโกงนะครับต้องคิดรอบ้อเขาคิดรอบ้อว่าสิ่งที่เขโกงนั้นจะคุ้มค่าหรือเปล่า จะคุ้มค่ากับชื่อเสียงของเขาหรือเปล่าจะคุ้มค่ากับอาชีพการงานของเขาหรือเปล่าจะคุ้มค่ากับภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีของเขาหรือเปล่าจะคุ้มกับความเป็นคนของเขาหรือเปล่าและที่สาคัญที่สุดคือเมื่อคริสเสียนโกงเขาจะต้องเอาศักดิ์ศรีความเป็นลูกของพระเจ้าไม่แลกเปลี่ยนกับภาพสมบัติที่เขาโกงเขาต้องคิดครับว่าคุ้มหรือไม่ทีนองครับการที่คนเราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ อยู่บนพื้นฐานของการคิดว่าคุ้มหรือไม่ได้ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์สูงสุดจริงๆรหรือเปล่าพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะจบลงด้วยความสงสัยที่ว่าทำไมพระเยซูถึงสนับสนุนการกระทาอย่างนี้ใช่หรือไม่ดูเหมือนว่าพระเยซูกาลังชมเขานะครับแต่พระเยซูกาลังสอนอะไรที่อยู่ เบื้องหลังกับอุปมานี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับเราจะกลับมาติดตามในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รทุกท่านในขณะที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมของพระองค์อย่างแท้จริงให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างโลกกับชาวสวรรค์วิธีคิดค่าทีทัศนติอุปนิสัยที่แตกต่างกันของชาวสวรรค์ซึ่งเราควรกภาคภูมิใจครับ ที่เราเป็นชาวสวรรค์แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือเราจะต้องไ้ควนชีวิตของเราในปีใหม่นี้ว่าเราจะมีอุปนิสัยท่าทีแรงจูงใจเหมือนอย่างชาวสวรรค์ได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอพรเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมน